การปฏิบัติจิตใจเนี่ยมันเป็นความละเอียดพอสมควรนะถ้าไม่มีผู้มีทางผ่านมาบอกเตือนความเข้าใจมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะมันหลายจริงหลายอย่าง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 อยู่ชั้นที่เท่าไหร่สูงกว่าพื้นดินเท่าไหร่ถ้าก า, การรักษาแจกก็เป็นงานชั้นต่ำเหมือนกันนะบางคนทํางานระดับล้างห้องน้ําระดับทําอาหารถวายพระซึ่งเป็นงานต่ําๆแต่ก็ประโยชน์สูงนะประโยชน์สูงระดับสูง